เพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าหาแสงสว่างเข้าหาความรู้ที่ประเสริฐที่ดีกว่าความรู้ทั้งหลายในโลกนี้เพราะเป็นความรู้ที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆให้มีแต่ความสุขและความเจริญความรู้ทางโลกนี้ ถึงแม้จะมีมากมายกายกองถึงแม้จะมีระดับสูงถึงระดับปริญญาเอกแต่ก็เป็นความรู้แบบท่วมหัวความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือเป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะทําให้ผู้รู้อยู่รอดจากความทุกข์ต่างๆได้ ผู้ที่จบปริญญาตรีโทรหรือเองก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ยังต้องมีปัญหาต่างๆอยู่เพราะเป็นความรู้ที่ <c oughs> ไม่ได้นำมาเพื่อดับความทุกข์ดับความดับปัญหาต่างๆแต่กลับเป็นความรู้ที่จะมาช่วยสร้างความทุกข์สร้างปัญหาต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นไปอย่างที่โลกเราทุกวันนี้มีปัญหากันมากมายกายกองก็เป็นปัญหาที่เกิดจากความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันมาแต่เราไม่รู้จากวิธีใช้ความรู้เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เพียงอย่างเดียวเราใช้ความรู้สร้างประโยชน์แล้วก็สร้างปัญหา สร้างเรื่องราววุ่นวาย ต, าต่างๆให้กับเราเองเช่นปัญหาต่างๆในสังคมที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องรถราติดอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ เราใช้ความรู้ตามความอยากของเราโดยที่เราไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่ตามมาจากการทำตามความอยากของเราทุกคนอยากมีรถก็ซื้อรถกันพอมีรถมากกว่าถนนรถก็วิ่งไม่ได้ก็ไปติดกันบนท้องถนนถ้าเรารู้จักความรู้ทางธรรม เราจะไม่ปฏิบัติไม่กระทำอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นความรู้ที่เราควรจะรู้นั้นก็คือความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นความรู้ที่จะกําจัดปัญหาความรู้ที่จะกําจัดความทุกข์ความรู้ที่จะสร้างความสุขที่แท้จริง ดังนั้นพวกเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านมีความรู้ที่ในทางโลกไม่มีการเดี๋ยวนี้ทางโลกเขาไม่สอนความรู้ทางพระพุทธศาสนากันแล้วสมัยก่อนนั้นโรงเรียนยังมีการสอนธรรมะสอนความรู้ของพระพุทธศาสนาคนสมัยก่อนจึงไม่ค่อยมีปัญหา เหมือนคนสมัยนี้กันเพราะคนสมัยนี้ไม่ได้รับความรู้ของพระพุทธศาสนาทั้งไม่ได้รับจากโรงเรียนและไม่ได้รับจากการเข้าวัดเข้าหาพระพุทธศาสนาถ้าทุกคนมีความรู้ทางธรรมแล้วรับรองได้ว่าโลกของเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะอยู่กันอย่างไม่มีปัญหา ไม่มีความทุกข์ต่างๆดังนั้นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้กันก็ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงนำามามาสั่งสอนให้แก่พวกเราความรู้ในที่นี้มีอยู่เจ็ดข้อด้วยกันคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้รู้เหตุสองให้รู้ผลสามให้รู้ น 4. นให้รู้บุคคล 5. ให้รู้สังคม 6. ให้รู้การละเทศะและ 7. ให้รู้ประมานนี่คือความรู้ที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้เดินไปสู่ความสุขความเจริญให้เดินห่างไกลจากความทุกข์จากปัญหาต่างๆ ถ้าพวกเราศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจจะไม่มีปัญหาต่างๆนานาเพราะความทุกข์ความวุ่นวายใจนั้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกระทำของเรานั่นเองเกิดจากการกระทำที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ตน ไม่รู้บุคคลไม่รู้สังคมไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ประมาณนั่นเองถ้าเรารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณเราจะไม่สร้างความทุกข์เราจะไม่สร้างปัญหากันเพราะความรู้นี้จะสอนให้เรา ไม่ทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาความรู้ทั้งเจ็ดประการนี้ให้ถ่องแท้และให้นำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีปัญหาต่างๆ ข้อหสิ่งที่เราควรรู้ก็เหตุเหตุนี้คืออะไรเหตุก็คือสิ่งที่จะทําให้ผลเกิดขึ้นสิ่งที่จะทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเรียกว่าเหตุผลก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดจากเหตุนั่นเองดังนั้นเราต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลในชีวิตของพวกเราทุกคน พวกเราต้องการผลกันเราต้องการผลดีเช่นเราต้องการความสุขความเจริญเราต้องการไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเราไม่ต้องการความเสื่อมเสียความตกต่ำเราก็ต้องรู้ว่าผลเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการของเราเฉยๆแต่เกิดจากการกระทำของเราก็คือเกิดจากเหตุ เหตุก็คือการกระทําของเราการกระทําของเรานี้ถ้าทำไปแล้วก็จะมีผลตามมามีได้สามประการด้วยกันคือผลดีก็ได้ผลไม่ดีก็ได้หรือผลที่เป็นกลางกางไม่ดีไม่ชั่วก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราถ้าเราทําดีผลก็จะ ดีผลดีก็จะตามมาถ้าเราทําชั่วผลชั่วก็จะตามมาถ้าเราทําไม่ดีไม่ชั่วผลไม่ดีผลไม่ชั่วก็จะตามมาดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลดีเราก็ต้องศึกษาดูว่าการกระทําความดีนั้นเป็นอย่างไรพอเรากระทาความดีแล้วเราก็จะได้รับผลดี การกระทาความดีก็คือการทาคุณทาประโยชน์ให้แก่ตนและแก่ผู้อื่นนั่นเองการกระทาที่ไม่มีโทษกับตนเองและกับผู้อื่นมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับตนและแก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็จะเกิดผลดีตามมาเช่นวันนี้ญาติโยมก็ได้มาทำความดีมาทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ด้วยการเอากับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาถวายให้กับพระภิกษุสา ม, มเณรที่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่ญาติโยมนำเอามาถวายเพื่อจะได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความขาดแคลนในสิ่งเครื่องใช้ไม้สอยในอาหารต่างๆนั่นเอง พอเราทำแล้วใจของเราก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมด้วยจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำความดีคือเกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่น ให้ข้าวให้ของให้สิ่งของต่างๆแก่ผู้อื่นนี่คือตัวอย่างของการทำความดียังมีอีกหลายอย่างด้วยการการทำความดีการได้ช่วยเหลือผู้อื่นการได้ทำให้ผู้อื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ความยากลำบากอันนี้ก็เป็นความดีการรับใช้ผู้อื่นก็เป็นความดี ส่วนความไม่ดีนั้นเป็นอะไรก็คือการกระทําที่ทําให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นไม่เกิดคุณไม่เกิดโทษไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นหรือกับตัวเรานั่นก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดตัวเวณีการพูดปด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 ผลทางใจก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจผลทางร่างกายก็อาจจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรืออาจจะต้องถูกจับไปลงโทษถูกจับไปขักขังในคุกในตารางนี่คือตัวอย่างของเหตุที่ไม่ดีคือทำแล้วก็จะทำให้เกิดโทษกับตัวเราและเกิดโทษกับผู้อื่นส่วนการกระทํา ที่ไม่เป็นคุณและไม่เป็นโทษกับตนและกับผู้อื่นทําไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นเราไปเดินเล่นอย่างนี้ก็ไม่เกิดคุณเกิดโทษกับใครอย่างนี้ก็เป็นเรียกว่าการกระทําที่เป็นเหตุสามประการด้วยกันดังนั้นขอให้เราพยายามทําเหตุที่ดีละเหตุที่ไม่ดีคือขอให้เราทําบุญ ขอให้เราละบาปแล้วผลที่ดีก็จะเกิดขึ้นผลที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าเป็นการรู้เหตุรู้ผลข้อต่อมาก็คือให้รู้ตนคือให้เรารู้สถานภาพของเราว่าเราเป็นอะไรเราเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉาน เพราะว่าสถานภาพของแต่ละคนนี้จะมีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันเป็นผู้หญิงก็ทำตัวอย่างหนึ่งเป็นผู้ชายก็ทำตัวอย่างหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นเดรัจฉานก็ทำตัว อ, อย่างหนึ่งทำไม่เหมือนกันถ้าเราไม่รู้สถานภาพของเราแล้วเราไปทำต่างสถานภาพ ก็จะเกิดโทษตามมาได้เช่นเราเป็นหญิงแล้วเราทำตัวเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาได้เราเป็นผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงก็จะเกิดเป็นปัญหาได้เราเป็นมนุษย์ทำตัวเป็นเดรัจฉานก็จะเกิดปัญหาเป็นเดรัจฉานคงจะไม่เป็นกันเพราะว่าเดรัจฉานก็จะไม่รู้ว่าตนเป็นอะไร อยาให้เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ก็คงจะเป็นไม่ได้นี่มีเรามีหลายสถานภาพด้วยกันนอกจากเป็นหญิงเป็นชายเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเรายังเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยเป็นหัวหน้าหรือเป็นลูกน้องเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกเป็นหลานเป็นครูหรือเป็นลูกศิษย์ เป็นนักบวชหรือเป็นคารวะนี่คือสถานภาพต่างๆที่เราเป็นกันเราต้องรู้สถานภาพของเราแล้วปฏิบัติตามสถานภาพของเราจะได้ไม่เกิดความเสื่อมเสียเกิดปัญหาตามมานั่นเองเป็นพระก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นคารวดก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่ง เป็นผู้น้อยก็ต้องทำตัวอย่างหนึง่งจะทำเหมือนกันหมดไม่ได้ถ้าเหมือนกันหมดแล้วก็จะต้องเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องการรู้จักสถานภาพของตนเองคือรู้จักตนส่วนรู้จักบุคคลก็คือให้รู้จักสถานภาพของผู้อื่นนั่นเองเราอยู่ในสังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับ คนหลายคนด้วยคนด้วยกันคนแต่ละคนก็มีสถานภาพที่ต่างกันไป <c oughs> มีผู้ใหญ่มีผู้น้อยมีครูมีลูกศิษย์มีพระมีคารวาบุคคลต่างๆเหล่า น, นี้เวลาที่เราพบปะเราก็ต้องรู้จักให้ปฏิบัติแก่บุคคลนั้นตามสมควรแก่ ฐานะของบุคคลถ้าเราทำไม่ถูกก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกัน น, นี่คือเรื่องของการรู้บุคคลข้อที่ห้าคือให้เรารู้จักสังคมคำว่ารู้สังคมก็ให้รู้กฎระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั่นเองในแต่ละสังคม จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมือนกันเวลาเราเข้าสังคมใดเราก็ต้องศึกษาให้รู้จากกฎระเบียบขนบรรมเนียมประเพณีของแต่ละสังคมสังคมที่เราอยู่ในนี้ก็มีสังคมเล็กสังคมใหญ่สังคมเล็กก็สังคมในบ้านเราในครอบครัวเราสังคมที่ ใหญ่กว่านี้ก็คือสังคมเช่นโรงเรียนก็มีสังคมที่ทำงานก็มีสังคมเราไปทำอะไรที่ไหนเขาก็มีสังคมไฟวัดก็มีสังคมของวัดเราต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ในแต่ละสังคมเขาปฏิบัติกันถ้าเราไปทำผิดประเพณีก็จะเกิดเป็นปัญหาตามมาได้ เช่นศีลข้อที่สามนี้ท่านก็สอนว่าไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีไม่ประพฤติผิดประเพณีแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงประเพณีของการร่วมหลับนอนของชายและหญิงว่าควรจะทำให้ถูกตามประเพณีประเพณีของเราก็คือต้องมีการสู่ขอขออนุญาต จ, จากบิดามารดา แล้วก็ทาการทำพิธีสมบริสประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่าเป็นคู่ครองกันแล้วเมื่อเป็นคู่ครองกันแล้วก็จะซื่อสัตย์ต่อกันจะร่วมอยู่กันโดยที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่สามอย่างนี้เรียกว่าการรู้ประเพณีถ้าเราทำปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเพณี ประเพณีของสังคมได้เราก็จะอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างไม่มีปัญหาถ้าเราประพฤติผิดประเพณีของสังคมเราก็จะถูกสังคมนั้นเขารังเกียจและอาจจะถูกขับไล่ออกจากสังคมนั้นได้ดังนั้นเราต้องรู้จักสังคมรู้จักกฎระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ในแต่ละสังคมมีไว้ให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและจะได้ไม่มีปัญหาข้อต่อมาก็คือการรู้จักกาลเทศะอันนี้ก็คือรู้จักเวลารู้จักสถานที่เวลาเราอยู่สถานที่ใดเวลาใดจะมีการกระทําแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกัน เราก็ต้องรู้จักว่าตอนนี้เราเขากำลังทำอะไรกันอยู่เราก็ต้องทำตัวของเราให้เข้ากับสถานที่และเวลาเช่นเวลาเราไปงานศพเขาก็มีการกระทำอย่างหนึ่งเวลาไปงานสมรสงานแต่งงานเขาก็มีการกระทำอย่างหนึ่งเวลาเรามาวัดก็มีการกระทำอย่างหนึ่ง เวลาไปสถานที่ต่างๆก็มีการกระทาที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสถานที่ใดเราก็ต้องดูว่าการกระทาที่เหมาะสมของสถานที่นั้นเป็นอย่างไรแล้วพยายามทำให้เหมือนกับผู้อื่นเขาก็จะไม่มีปัญหาตามมานี่คือการรู้จักกาลเทศะและประการสุดท้าย ก็คือการรู้จักประมาณความว่ารู้จักประมาณนี้คืออะไรก็คือรู้จักความพอดีเช่นรู้จักความพอดีในการบริโภคปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คืออะไรก็คืออาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแต่การรู้จักประมาณนี้ก็ต้องคือรู้จักว่าความพอดีกับความต้องการของร่างกายและความพอดีกับความสามารถหรือสถานภาพของเราแต่ละคนนี่มีสถานภาพไม่เหมือนกันบางคนมีมีสถานภาพร่ำรวยบางคนมีสถานภาพยากจน การหาปัจจัยสี่มาใช้เพื่อดำรงที่ก็จะมีไม่เหมือนกันคนที่มีความร่ำรวยก็มีความสามารถที่จะหาปัจจัยสีได้มากและดีกว่าได้คนที่มีความยากจนก็ไม่สามารถจะหาได้เท่ากับคนที่มีความร่ำรวยแต่ จะหาได้ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าหามาพอให้ร่างกายนี้อยู่ได้หรือไม่ถ้าหามาให้ร่างกายนี้อยู่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะได้แบบดีแบบแบบราคาแพงแพงมีจํานวนมากมายหรือจะได้น้อยมีราคาถูก แต่ถ้าสามารถทำให้ชีวิตของเราอยู่ต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเป็นความพอดีอขอให้เราดูตรงความพอดีก็คือความจำเป็นความเหมาะสมความต้องการของร่างกายอย่าไปดูตามความอยากเพราะถ้าเราดูตามความอยากแล้วก็จะทำให้เราต้องดิ้นรนหามา เกินกำลังของเราแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับเราเพราะว่าเราจะต้องมีหนี้มีสินเช่นเราอยากจะได้บ้านแต่เราไม่มีปัญญาที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสดของเราเราก็ต้องซื้อด้วยเงินผ่อนเราอยากจะได้เสื้อผ้าเราก็ซื้อด้วยเงินผ่อนแต่พอเราซื้อไปมากๆเราก็จะไม่มีปัญญาที่จะมาผ่อน ได้ก็จะเกิดปัญหาว่าเราจะต้องทำอย่างไรถ้าเรายังอยากจะได้ข้าวของต่างๆแต่เราไม่สามารถหาเงินทองมาผ่อนได้ด้วยวิธีที่สุดเจริญเราก็อาจจะต้องไปหาเงินทองโดวยวิธีที่ทุจริตก็จะทำให้เป็นโทษกับเราถ้าถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับได้เราก็ อาจจะต้องไปรับใช้โทษในคุบในตารางต่อไปแต่ถ้าเรารู้จักประมาณรู้จักฐานะของเราว่าเรามีฐานะเพียงเท่านี้เราทําได้เพียงเท่านี้เราก็ยังอยู่ได้ก็อยู่ไปอย่าให้ความโลภความอยากมาเป็นตัวผลักดันว่าจะผลักดันให้เราไปทําเหตุที่ไม่ดี แล้วก็จะเกิดผลที่ไม่ดีตามมาต่อไปดังนั้นขอให้เรารู้จักประมาณในการรับประทานอาหารในการใช้เครื่องนุ่งหม่มในการใช้ยารักษาโรคและในการใช้ที่อยู่อาศัยขอให้เราใช้ไปตามฐานะตามกําลังของเราถ้าเราซื้อบ้านไม่ได้ก็เช่าบ้านอยู่ไปก่อนก็ได้ ตายไปเราก็เอาบ้านไปไม่ได้อยู่ดีตายไปบ้านก็กลายเป็นของคนอื่นไปการไม่มีทรัพย์สมบัติกับจะดีกว่าเพราะตายอย่างสบายตายแบบไม่มีความอาไัยอาวรณ์ไม่มีความเสียดายไม่มีความเสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าตายแบบมีสมบัติเข้าของเงินทองมาก mm hmm. ก็จะตายแบบเสีย อ, อกเสียใจเสียดายในสิ่งต่างๆ ที่หามาแทบเป็นแทบตายแล้วก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นไปการนะที่อยู่ก็ไม่มีความสุขเพราะต้องดิ้นโดนอาสิ่งของต่างๆมาตามความอยากได้มาก็ดีใจเพียงเดียวเดียวแล้วก็เกิดความอยากใหม่ที่อยากจะได้ใหม่เราจึงมีสมบัติข้าว ข, ของเงินทองเต็มบ้านไปหนดอแต่เรากลับหาความสุขไม่เจอ เพราะเราไม่รู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่คำว่าพอหรือคำว่าพอดีนั่นเองพอดีต่อสถานะของเราพอดีต่อความต้องการของร่างกายของเราดังนั้นขอให้เรารู้จักคำว่าพอดีให้รู้ว่าร่างกายต้องการอาหารเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ต้องการเสื้อผ้าสักกี่ชุดถึงจะอยู่ได้ต้องการยารักษาโรคชนิดไหน ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ต้องการที่อยู่อาศัยแบบไหนถึงพอจะอยู่ได้ถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีรู้จักคำว่าพอประมาณรับรองได้ว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขและเราจะตายอย่างมีความสุขเพราะเราจะไม่ต้องมีความห่วงใยไม่ต้องมีความเสียดายไม่ต้องตะเกียกตะกายดิ้นรน หาทรัพสมบัติหาปัจจัยสี่ที่เกินฐานะเกินกำลังของเราและที่มีที่มีเกินความจำเป็นต่อความต้องการของร่างกายนี่คือการรู้จักประมาณถ้าเรารู้จักความรู้ทั้งเจ็ดประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้กันรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย จะไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากดิ้นรนต่อสู้แสวงหาสิ่งต่างๆที่เกินความจำเป็นแล้วก็จะไม่ได้ให้ความสุขกลับจะให้ความทุกข์เพราะทุกข์เพราะต้องหาทุกข์เพราะต้องดูแลรักษาทุกข์เพราะต้องเสียเสียใจเวลาที่จะต้องจากสิ่งเหล่า น, นั้นไป ดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาก็ขอให้เราใช้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้เจ็ดประการนี้เป็นแสงสว่างนาทางนำนำการดำเนินของชีวิตของเราไปรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียว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 โดยทั่วหน้ากันเทอ